ตอนนี้ไปพึ่งพากันต่างใจสํารวมใจเขาตนให้แน่วแน่การเกิดมาแต่ละชาติที่จะได้มาฝึก้นอบรมจิตนี่แสนอยากนักอยากหนาเหตุต่างนั้นมันจึงไม่พ้นจากทุกข์ในสงสารอันนี้ หนึ่งมาแต่ว่าอาศัยความเพืิอเพลินหลงระเริงไปตามสมมุติติิยมของโลกโลกเขาสมมุติอย่างไรก็เห็นไปตามอย่างนั้นไม่ได้ใช้ปัญญาวินัยดูว่า สิ่งที่ตนพอใจรักใคร่ก็ดีสิ่งที่ตนเกลียดทางก็ดีความจริงมันเป็นอย่างไรไม่ได้พิจารณาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงมันจึงได้หลงอย่างนั้นการที่พิจไม่ได้พิจารณา ก็เพราะว่าทำจิตให้สงบไม่ได้ปล่อยจิตให้เพลินให้เมาไปทั่วให้พากันเห็นโทษแห่งจิตใจไม่สงบมันเป็นภัยต่อตัวของตัวเองมัน ทำาไมคนเราเห็นผิดเป็นชอบไปต่างๆน า, นาทำความดีให้ตัวเองก็ไม่ได้ดังที่เราเห็นคนบางคนเมื่อเห็นเขาทำไม่ดีมีความเห็นผิดเป็นชอบก็ต้องเอามาคิดมากรองในใจ ว่านั่นคือความเห็นผิดแต่เราจักไม่เห็นผิดอย่างนั้นมันเห็นไม่ตรงตามความเป็นจริงที่ว่าเห็นผิดทั้งนั้นเลยเช่นมันอยากโกรธให้คนโน้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรอย่างนี้นะมัน อโม น, นีมันก็มีความเห็นผิดจากความเป็นจริงความเป็นจริงสิ่งทั้งพวงไม่น่าโกรธไม่น่าเกลียดอะไรเลยมันเป็นแต่ลักษณะอาการแห่งความดีความชั่วมันแสดงออกมาจากสังขารอันนั้นต่างหาก อันที่แสดงออกมานะั้นมันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลมันเป็นเป็นแต่ เ, เพียงสังขารถ้าว่าโดยปรมัาทธรรมแล้วมันเป็นงั้นมันไม่มีสัตว์มีบุคคลจริงๆถ้าเป็นสัตว์เป็นบุคคลจริงมันก็เที่ยงกว่ายั่งยืนอเกิดมาแล้วใครจะไปอยาก แกอยากเก็บอยากตายไม่มีเลยแต่นี่มันก็ไม่ฟังมันก็แก่ก็เจ็บก็ตายไปอยู่อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นมันจะมีเขามีเราอยู่ที่ไหนนั้นมีแต่สังขารทั้งหลายมันบังเกิดขึ้นแล้วมันก็แปรปวนไปในท่ามกลาง แล้วก็แตกลับในที่สุดกับมีเท่านั้นเองดังนั้นผู้ที่ได้ผู้ใดยึดมั่นอยู่ในความโกรธมากๆอ่ะชื่อว่าเป็นผู้ยังเห็นผิดจาก ร, รมของจริงอยู่ความรักก็เหมือนกันมันก็เห็นผิดนั่นแหละ เห็นผิดไปว่าอรมเสียงกลิ่นรดเครื่องสัมผัสนั้นสวยงามน่ารักน่าใครน่าพอใจต่างๆ่ารโีน่นะมันมันเห็นผิดไปจากความเป็นจริงจิตใจมันจึงได้เป็นทุกข์เดือดร้อนอกับกับของไม่จริงเมื่อได้ของไม่จริงมาแล้วมันก็แปรปวนไป จิต ท, ที่สำคัญว่าสวยว่างงามนนมะกอกเป็นทุกข์เดือดร้อนเป็นอย่างนั้นดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมก็ต้องฝึ ก, กจิตให้ถึงความสงบสงับด้วยดีแล้วจึงได้กำหนดเรื่องต่างๆเหล่านี้มาพิจารณาให้มันรู้มันเห็นขึ้นในใจตัวเอง แล้วมันก็จะไม่หลงรักไม่หลงชังหลงเกลียดในสิ่งต่างๆเหล่านั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระอระหันต์ตาวกเก้าทั้งหลายก็ดีท่านก็พิจารณาเห็นอย่างนี้แหละท่านจึงปรงจึงวางได้ท่านจึงดูดพ้นจาก ความรักความชังความหลงความเมาต่างๆหมดนี้ถ้าหากว่าผูใ้ใดไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นตามสภาพความไม่จริงอย่างนี้แล้วไม่มีทางที่จะหลุดพ้นจากบ่วงแห่งมารคือกิเลสตัณหาต่างๆเหล่านี้ได้ทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่า บุคคลไปติดอยู่เพียงแค่ความสงบเท่านั้นที่เกียจพิจารณาเมื่อทำใจสงบลงไปแล้วก็มีแต่ชื่นชมยินดีกับความสงบความสุขอันเกิดจากความสงบเท่านั้นแล้วไม่มีปัญญาการใช้ปัญญาการพิจารณานี่ มันก็ลำบากไม่ใช่น้อยเหมือนกันแหละบางทีกําหนดพิจารณาเรื่องนี้ไปนอนหนึอนอ่งคิดมันผถอนเมื่อจิตถอนแล้วก็มันก็เหลวไหลแล้วการพิจารณารืนั้นไม่รู้ละพ อ, อจิตถอ น, ม, นมันก็คิดไปทางอื่นซะไม่ได้คิดไปทางนั้นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้น ต้องควบคุมจิตที่สงบอยู่แล้วให้มันได้ในขณะที่พิจารณาอยู่ก็ให้มีสติควบคุมความรู้สึก น, นั้นให้มันแน่วแน่อยู่ในปัจจุบันมันจึงจกรู้จะเห็นไปได้ตลอดตามความเป็นจริงไม่เช่นนั้นรู้ไม่ได้ การฝึกกิจฝึกใจนี่มันเป็นหน้าที่ของเราทุกคนเพราะว่าถ้าใครไม่ฝึกกิจนีลนวก็พ้นทุกไม่ได้นี่ถ้าผูใ้ใดเบื่อต่อทุกในสงสารอันนี้แล้วมันก็ยินดีที่จะฝึกถ้ามีความเห็นอย่างนี้นะถ้าเห็นไปอย่างอื่นแล้วมันก็ไม่ยินดีที่จะฝึก เห็นเห็นไปอย่างว่าทุกข์ย่อมเกิดขึ้นจากร่างกายร่างกายมันมีโรคภัยเบียดเบียนก็เข้าแต่โรงพยาบาลรักษาแต่ร่างกายจิตใจไม่รักษาเห็นไปอย่างนี้เป็นส่วนมากลคนนะไอที่คนไม่เข้าวัดไม่ได้ฟังธรรมจำสิ้น ต่างๆหมูนั้นร่วมแต่มันไปเห็นแต่ความทุกข์ของร่างกายมองไม่เห็นความทุกข์ทางจิตใจแม้ใจตนเองเป็นทุกข์อยู่ก็มองไม่เห็นว่าเราจะพ้นทุกข์ทางใจนี้ได้อย่างไรหนอก็ไม่ได้คิดได้กรองเลยเมื่อใจเป็นทุกข์ก็ทุกข์ไปอย่างนั้นแหละดิ้นลนกดแกงไป ตามอารมณ์ต่างๆที่ใจมันยึดถือเอาไว้ก็ลองสังเกตดูแลมันจะพ้นทุกข์ได้ยังไงมันก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้เพราะว่ามันลืมตัวมันลืมจิตนี่แหละคำว่าลืมตัวนะจิตตนเห็นอย่างไรคิดอย่างไรก็ไม่ทวนกระแส ดูว่าความคิดนี่มันถูกทางหรือไม่หรือมันผิดทางนี่ไม่ได้ไม่ได้ทบทวนดูมีแต่ปล่อยให้มันเลื่อนลอยไปตามเหตุตามปัจจัยไปเท่านั้นดังนั้นนะ่ะคอยพากันเข้าใจทุกคนต้องรู้จักทวนกระแสจิตคือทวนกระแสความคิด ความนึกนั่นแหละคำว่ากระแสจิตนั่นนะไม่ใช่อย่างอื่นอย่าปล่อยให้มันคิดไปข้างหน้าเลืยไปต้องย้อนกลับมาดูต้นความคิดต้นของความคิดมันอยู่ไหนอืมต้นของความคิดนั่ น, นก็คืออยู่ความอยู่ที่ความรู้สึกนั้นเองถ้าผู้ใด ย้อนความคิดความนึกเข้ามาหาความรู้สึกอย่างนี้มันก็วินิจฉัยตัวเองได้เลยว่านี่รู้ตัวเองได้ว่าตนเองกำลังส่งกิจไทเลื่อนลอยไปตามกระแสของโลกนั่นไม่ใช่หนทางพ้นทุกข์มันก็รู้ได้มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเมื่อมรู้ได้อย่างนี้มันก็ไม่ส่ง มันก็มีสติควบคุมความรู้สึก น, นั้นไม่ให้นึกคิดไปให้มันมีแต่รู้กับสติอย่างเดียวเท่านั้นอยู่ในปัจจุบันนะต้อตงพยายามส่วนมากคนไม่พยายามเมื่อจิตไม่อยู่แล้วก็ปล่อยให้มันคิดมันเลื่อนลอยไปตามเหตุตามปัจจัยไปอย่างนั้นแหละ ไม่พยายามทวนกระแสความคิดความนึกเข้ามาสู่ปัจจุบันเพราะการทวนกระแสเข้ามางั้นมันลำบากไม่ใช่น้อยกิเลสมันคอยสกัดกัน้นมันไม่คิดทวนกระแสจิตเข้ามาในปัจจุบันกิเลสนี่มันยอมปานจิตใช้คิดไปในอนาคตเบื้องหน้า บ้างให้คิดคืนหลังในอดีตบ้างอยู่อย่างนั้นมันไม่ส่งเสริมให้จิตคิดดูตัวเองอยู่ในปัจจุบันนี้ถ้าผู้ใดมาคิดดูตัวเองบ่อยๆเข้ามันรู้ตัวแล้วมันก็เห็นว่ากิเลสก็จิตตรงนี้สร้างขึ้นมาไม่มันจะเกิดเองไม่ได้เลยอืม ดังนั้นเราจะไม่สร้างกิเลสขึ้นต่อไปแล้วอธิษฐานจิตลงไปอย่างนี้แล้วก็ควบคุมความรู้สึกอ น, นี้ให้มันแน่วแน่แม่นใจยากลําบากอย่างไรก็สู้อดทนเพราะการทําอุบายแยบคายใน ใ, ใจอย่างนี้มันก็ลําบากอยูไม่น้อยเหมือนกันเนี่ยก็อย่างที่ว่านั่นแหะกิเลสมันแทรกเข้ามามันไม่ให้คิดมันไม่ให้รู้ เราก็สู้กับอำนาจของกิเลสกิเลสนี่มันทำไม่เกิดทุกขเวทนาขึ้นในความรู้สึกนั้นนี่นะอำนาจของกิเลส เ, เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็ไม่หวั่นไหวอ่ะก็เวทนาก็สั ก, กว่าแต่เวทนามันไม่ได้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลมันเป็นส่วนหนึ่งของขันห้าเท่านั้นเอง เมื่อขันธ์ห้าไม่ใช่ตัวตนแล้วทุกเวทนานี่มันก็จะใช้ตัวตนยังไงแล้วมันมันก็ต้องรู้ให้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้อย่าไปปล่อยให้ความจริงเหล่านี้มันลบเรือนไปจากจิตใจแน่นอนแหละถ้าหากว่าตนไม่ทนกับสิทแสจิตเข้ามา แพ่งพิจารณาคข้ามาแพ่งอยู่ในปัจจุบันนี้มันหลงตัวเองจริงๆคนเราเนะี่ยเป็นอย่านั้นก็เคยพูดให้ฟังอยู่บ่อยๆอยู่แล้วการทวนกระแสจิตนี่นะให้จําไว้จะไปลืมอืมผู้ใดทวนกระแสจิตเข้ามาในปัจจุบันนี้ได้ก็รู้ตัวแล้วอืม รู้ว่าตนหลงมาอาศัยอยู่ในธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้าอันเป็นของไม่เที่ยงไม่ยังยืนนี้มันจึงได้เป็นทุกข์นี่แนะมันตื่นตัวเนี่ยอเมื่อมันทวนกระแสจิตเข้ามาหาตนเองได้จริงี่ไม่จริงยังไงอะไอะ้บุญกรรมมันนวงเหนียว จิจใจนี้ให้ต้องอาศัยอยู่ในรูปกายนี่มันจะหนีไปทางไหนก็ไม่พ้นนะกรรมที่ทาํามาแต่ก่อนนู้นนะมันงงเหนี่ยวไว้เพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยแม้จะเจ็บใค้ได้ป่วยหนักปัญญามันก็ไม่ตายอยากตายมันก็ไม่ตายอย่างนี้นะก็เพราะว่าบุญกรรมหรือบาปกรรมนั้นมันยังอยู่ มันยังควบคุมกายและจิตนิโยเหตุดังนั้นน่ะมันจึงไม่เป็นไปตามใจหวังครั้นเมื่อบุญกรรมบาปกรรมนั้นมันหมดลงแล้วไม่อยากตายมันก็ตายอย่ามันเป็นงั้นดังนั้นน่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นอืมให้คิดว่า ตนเองหลงมาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงอย่างนี้ละมันก็ต้องพยายามสอนจิตนี้ให้ทําความรู้เท่ามันเท่านั้นแหละมเมื่อรู้เท่ามันแล้วมันไม่มีอะไรแบบนี้นะไอ้ความทุกข์มันก็เรื่องของขันห้าทางหากักขันห้ามันวิบัติแปลพวนไปความรู้สึกก็ปรากฏเป็นทุกข์ แต่ถ้ารู้เท่าแล้วมันจิตไม่เป็นทุกข์ขันธ์ห้านี่ต่างหากมันเป็นทุกข์มันทนได้ยากทนลำบากทนอยู่ไม่ได้คำว่าลักษณะอาการแห่งความทุกข์นะมันไม่มีตัวไม่มีตนอะไรมีแต่ความรู้สึกวันไว้ไปมาเท่านี้แหละคำว่าทุกข์นั่นนะ ถ้าจิตตั้งมั่นอยู่ด้วยดีแล้วมันก็วันไหวแต่ธาตุสี่ขันธ์ห้าเท่านั้นเองแล้วจิตก็ไม่เป็นทุกข์ถ้าจิตไม่เป็นทุกข์แล้วไม่มีใครเป็นทุกข์ในถาตสี่ขันธ์ห้านี้นะขอให้เข้าใจรู้ได้อย่างไรว่าจิตไม่เป็นทุกข์ก็รู้ได้ด้วยที่ว่าจิตไม่วันไหวนั่นแหละ แต่ความรู้สึกมีอยู่แต่หากก็ไม่วันไหวไปตามเา็ไม่เที่ยงของสังขาร น, นั่นจึงรู้จึงรู้ได้ว่าจิตไม่เป็นทุกข์เพราะว่าจิตไม่กระวนกระวายอจิตไม่กระสับกระสายอย่างนี้นะะถ้าจิตเป็นทุกข์แล้วจิตจะกระสับกระสายวุ่นวายไม่สงบไม่ไม่อด ไม่ทนไม่ตั้งมั่นอยู่ได้นี่เรียกว่าจิตเป็นทุกข์ต้องให้เข้าใจเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วหากว่าสังขารร่างกายอันนี้มันวิบัติแปลฟูนไปก็กำหนดจิตให้แน่วแนะ่อย่าวันไหวถ้ากิ เผอเผอกิเลสมันเกิดขึ้นในใจทาให้ใจเรา่าร้อนพุ่งซ่านเดื่อด้อยอย่างนี้ก็อดทนอดกัน้นไม่คิดไม่ส่งเสริมกิเลสเหล่านั้นถ้าเมื่อจิตอดทนได้ไม่ส่งเสริมแล้วกิเลสเห่านั้นมันก็ระ ง, งับไปเรื่องมานนะเพราะว่าแน่นอนแหละถ้า จิตนี้เผลอเผลอสติแล้วมันสร้างกิเลสขึ้นมาแล้วมันก็ต้องเร่าร้อนอยู่ดีๆ ด, ดังนั้นเราจะใช้ปัญญาอะไรก่อนยังไม่ได้ในขณะนั้นนะ่ะมันต้องตั้งความอดทนลงไปก่อนอดทนต่อทุกขเวทนาต่อความคิดที่มันไม่ถูกทางแล้วมันเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาเรื่นี้เราต้องอดทนอนะ่ะอืม เมื่อออดกันทนทานไปไม่สร้างกิเลสตั้งขึ้นมาอีกอย่างนี้กิเลสนั้นมันก็เกิดไม่ได้านานงภาพเป็นความอดทนมืน่อกะเผากิเลสนั้นให้ระ ง, งับดับไปแต่กิเลสมันดับไปได้เป็นบางสิ่งบางอย่างดังนั้นมันจึงไม่สม่ำเสมออยู่ได้ไอสิ่ง กิเลสส่วนที่ยังไม่เกิดมันซ่อนตัวอยู่ น, นั่นแหละเมื่อกิเลสส่วนที่มันปรากฏตัวนี่มันระ ง, งับไปแล้วหากตัวเองเผลอสติเข้าไปกิเลสที่มันซ่อนตัวอยู่น่้นมันก็โผล่ขึ้นมาเป็นงานเดิมมนะันมันโผล่ขึ้นมารบ ก, กวนกจิตใจอีกดังนั้นทุกคนให้เข้าใจ กิริยาอาการของกิเลสเนี่ยถ้าหากว่ามีสติกำกับจิตอยู่แล้วถ้ามันเผลอไปน้อยหนึ่งอนกิเลสเกิดขึ้นมันก็รู้ทันมันรู้ทันแหละเมื่อกิเลสเกิดขึ้นนะถ้าผูใ้ใดปล่อยสติให้เลื่อนลอยไปตามกระแสของกิเลสแล้ว มันไม่รู้ตัวมันลืมตัวมเมื่อไม่รู้ตัวมันก็ละกิเลสนั้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นเดิมมานนะ่ะตนเองสร้างกิเลสขึ้นมาแต่ตนเองไม่รู้ตัวว่าตนสร้างมันขึ้นมานี่นะมันถึงละมันไม่ได้ถ้ารู้ตัวว่าตนมันสร้างกิเลสเนีขึ้นมาจริงอย่างนี้แล้วก็ ตนก็กำหนดละกิเลตนั้นไดม้มันเป็นงั้นก็มันรู้ว่ากิเลสนี่เป็นสิ่งที่ควรละไม่ควรสั่งสมไว้เพราะการสั่งสมกิเลสนี่ไว้มันเป็นทุกข์มันรู้ด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วกิเลสมันก็เบ า, าบางไปจริงๆนะขอให้เข้าใจแต่ว่า คนส่วนมากนั้นมันขาดความเพียรไม่มีความเพียรแก่กล้าพอกิเลสมันมาแทรกแซงเข้ามาแล้วก็ท้อใจเลยไม่คิดที่จะตอ่อสู้ไม่คิดที่จะกําหนดละความคิดความนึกอันประกอบไปด้วยกิเลสนั้นอันนี้แหละคนเราจึงพ้นจากกิเลสไปไม่ได้ เมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราก็ตั้งความอดความเพียรลงไปไม่ทอถอยเพียรลงไปเหมือนอย่างในนิทานพระพุทธเจ้านำมาเล่าให้พุทธบริษัทท้งหลายฟังนิทานเรื่องกระต่ายกับเตา่าทาก วิ่งแข่งกันอกระต่ายเนะี้ยไปท้าเต่าอืเต่าก็รักคําท้าอันนั้นเลยพอได้เวลาแล้วก็วิ่งเท่านั้นเองนะอืมอันเต่านะี้ยมันก็วิ่งทุดเปรียงของมันนะั่นแหละกระต่ายก็วิ่งไปมันก็เร็วเหมือนเร็วไปเหมือนกับลมเนี่ยพอเดี๋ยวหลังคืนมาเห็นเต่าแล้วก็ ไอเต่านี่ต่อให้มันแล่นอยู่หมดวันนี่มันก็ไม่ทันเราเรานอนสักตื่นสักก่อนแล้วจึงค่อยไปกันก็ยังไหวแคั้นคิดแล้วก็ตายก็อ น, นอนนอนมันหลับสิวันนี้นะไอเต่ามันคลานไม่ถอยอะ่ะมันไปไม่ถอย มันก็เลยทันกับกระต่ายแล้วทีนี้พรากระต่ายตื่นขึ้นเห็นเตา่าคลานมาตามหลังใกล้ๆนี่วันนี้ก็พรวดพาดวิ่งเลยไม่มีสติคนนอนหลับตอนฝันตื่นขึ้นมันก็ไม่มีสติวิ่งไปไปเอาหน้าอกไปปะทะกับก้อนหินเข้าไป อกแตกตายเลยทีนั้นเต่าก็เลยเอาชนะกระต่ายได้พระพุทธ เ, เจ้านำนิทานเรื่องนี้มาแสดงให้คนฟังก็เพื่อที่จะให้คนได้เห็นคุณแห่งความภาคเพียรพยายามเหมือนเต่าเหมือนเต่ามั น, ม, นมันค่อยไปอยู่ก็จริงแต่มันไปไม่หยุดอย่างนี้นะเพื่อให้เห็น อา น, นิสงส์แห่งความเพียร น, นั้นมันสามารถที่จะเอาชนะกิเลสได้ไอ้บุคคลผู้ที่ทำความเพียรไม่ติดต่อกันเมื่อเกียรติั้นแล้วก็นอนเสียบัด น, นี้เมื่อเห็นว่ากิเลสมันจะรบ ก, กวนจิตใจเป็นทุกข์เดือดร้อนเอา้ากรลีบเพล่งภาวนาเข้าไปขามาักขมันเข้า อย่างรุนแรงเช่นนี้เดี๋ยวก็จิตใจก็ฟุ้งซ่านเมื่อทำความเพียรมากเกินไปพิจารณามากเกินไปเกินขอบเขตในจิตก็ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยมีภิกษุองค์หนึ่งในครั้งพุทธเจ้านั้นภิกษุนั้นเป็นเพื่อนกับภิกษุสี่ร้อยเก้าสิบเก้ารูป ออกบวทพร้อมกันเมื่อบทแล้วเรียนพระกรรมฐานจากพระพุทธเจ้าแล้วก็พระภิกษุ499รูปนั้นลาพระสัตตะดาไปประกอบความเบียรส่วนภิกษุรูปหนึ่งนั้นไม่ได้ไปกับเพื่อน ภิกษุ4ี่ร้อยกสิบเก้านั้นไปประกอบความเพียรอยู่ในป่าได้บรรลุอรหัตผลทั้งหมดเลยวันนี้ก็ชวนกันเดินทางกลับมาเฝ้าออพระศ า, าสดาพราะองค์ทรงยกย่องสรเสริญภิกษุที่ไม่ได้ไปกับหมู่นั้นก็แมนเรานี่มันแย่เราไม่ทันเพื่อนแล้ว ค่ำลงมาก็เอาแหละประกอบความเพียรอธิษฐานใจเราจักไม่นอนนะ่ะทาไม่ได้สำเร็จมา ก, ก่อนในคืนวันนี้เยอะเดินจงกรมอยู่ยนั่นไม่ท้อไม่ถอยเดินไปเดินมาตอนหัวลงมันง่วงสีบะ น, นี้นะง่วงมากหลายเดินแล้วก็ พลาดท่าพลาดท่าเป็นล้มลงเมื่อขาหาักแล้วก็ร้องโอดออยอยู่หัวทางจงกลมพระสี่ร้อยกสิบเก้าลูกได้ยินเสียงก็พากันมาปฐมพยาบาลกันแต่ในในขณะที่ท่านเหล่านั้นเดินทางมาเฝ้าพระศาสดาใน เช่นอย่างเมื่อวานนี้ขหบรีในหมู่บ้านหนึ่งเห็นเข้าเกิดศรัทธาเรื่อมใส่ก็ได้นิมนต์ท่านเหล่านั้นไปฉันประาหารที่บ้านของตนพระเหล่านั้นก็รับนิมนต์มาเนี่ยเมื่อมาพยากรามาพยาบาลพิสุขาหักนั่นอยู่ก็หมดเวลาไป ก็ไม่ได้ไปรับปินธบาตบานกระหาบดรีคนนั้นมัม่นเนองไอเรื่องนี้พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงนำอดีตนิทานมาแต่ก่อนม า, มาแสดงให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังว่าพิสูุรูปนี้ตั้งแต่ ชาติหลังๆคืนไปนูน่นเกิดเป็นไก่แล้วพระสี่รอยเก้าสบเก้าูกเนี่ยเป็นนักศึกษาข้างนั้นเขาพระพเจ้าเป็นอาจารย์สอนวิชาความรู้ให้พระเหล่านั้นอาศัยไก่ตัวนั้นแหะขันเวลาหัวลุ่งปลุกคล้ายๆกับว่าปลุกให้ตื่นขึ้น ดูหนังสือท่องหนังสือเขียนหนังสื อ, อบนันทิทีแรกไก่ตัวนี้มันก็ขันได้เวลาพอตอนตีสี่หัวลุงมันก็ขันปุกขตนักศึกษาแล้ั้นให้ตื่นขึ้นมาดูตำรับตำราท่องบนจดจำขั้นนานมานี่มันเหลวไหลเป็นไงก็ไม่รู้บางที มันก็ขันไปแต่เที่ยงคืนที่ไปพวกนักศึกษาตื่นขึ้นมาดูหนังสือแล้วตอนกลางวันก็ง่วงนอนไม่เต็มตาบางคืนไกลตัวนั้นมันก็จนใกล้จะสว่างพี่มันจึงขันก็มีนักศึกษาตื่นขึ้นก็ไม่ได้ทันได้ท่องบนจดจําเอาบทเรียนอะไรเลย อ่าก็เลยมาลงคอมเมนกันว่าออย่าไปอาศัยไก่ตัวนี้เลยอาศัยเราดีกว่าข่ามันมาแกงกินซ้ำซาไก่ตัวนี้ก็เลยพร้อมใจกันฆ่าไก่ตัวนั้นต้มแกงกินซะเลยบอกงั้นอแต่แล้วจิตวิญญาณของไก่ตัวนั้นก็ยังติดต้อยห้อยตามคนเหล่านั้นมา จึนได้มาเกิดในพุทธศาสนานี้ได้ออกบวชพร้อมกับพระสี่ร้อยเ้าเก้าูปนั่นแต่ค่าที่ตนไม่ได้เป็นคนในชาตก่อนนน้นบุญบา ร, รมีก็เลยไม่แก่เหมือนอย่างพวกสี่ร้อยกัวนั่นดังนั้นทำความเพียรอย่างไงอย่างไงมันก็สำเร็จไม่ได้ เอาไปเอามาจนขาหักอันนี้ เ, นเป็นเครื่องสอแสดงให้เห็นถึงอนุภาพแห่งบุญบา ร, รมีของคนเราเข้าใจี่ทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่านั่นแหละคนเราถ้าบุญบา ร, รมีไม่แก่กล้าแล้วแม้จะทำความเพียรลอดลมลอดตายยังไงมันก็ไม่ได้สำเร็จมากผล ตามเป้าหมายเลยดังนั้นทุกคนต้องภาคเปลียนพยายามไปถ้าตนเอาเร็วไม่ได้ก็ต้องเอาชาอ้านี่นะตนกระหม่อมกะแม่นแล้วมันสำเร็จไม่ได้นอ้ออย่างนี้ละกลับมาเอาแสดงว่าบุญบา ร, รมีของตนยังไม่เ ก, กล้าเต็มที่ ถ้าอย่างนั้นตนจะต้องภาคเปียนพยายามสั่งสมบุญกุศลไปพยายามไปไม่ท้อถอยมันอย่างน้ำหยดชายคาลงสู่องเมื่อมันหยดน า, นานไม่ถอยมันก็เต็มสักวันหนึ่งให้ได้อันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละเมื่อบุคคลภาคเปียนพยายามประคองจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ ในบุญในคุณให้ได้แล้วก็พยายามทำความดีด้วยกายวาจาไปเมื่อจิตใจตั้งอยู่ในบุญในคุณแล้วมันก็มีชอบแต่อยากจะทำความดีชอบแต่อยากจะภาวนาเพราะว่าจิตใจที่ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณนี่มันเยือกเย็นสบายมันสงบนี่นะ มันจึงชวนให้ทำความเพียรไม่เห็นแก่หลับแก่นอนเพราะว่านอนหลับเกินประมาณไม่ได้อะไรอะได้แต่กิเลสเท่านั้นเองกิเลสยมอ้วนพีขึ้นในจิตใจของผู้มกักมากในการหลับการนอนนั้นดังนั้นนะทุกคนให้พึงพากันตั้งอกตั้งใจ ประกอบความเพียรพยายามมีสติทวนกระแสจิตเข้ามาภายในดังที่แนะนํามานั้นเมื่อสติมันยังเข้าถึงจิตได้แล้วจิตนี้มันรู้ตัวเองว่าตนตนมีกิเลสอะไรหุมห่ออยู่จิตใจนี้มากกูเพื่อนก็เพียรละกิเลสอ น, นันตกรกิเลสอะไดที่มันยังมันกําลังยังอ่อนอยู่ ก็คมคมมันไว้เสียก่อนแล้วมันก็ยูกิเลสอันไดที่มันมีอิทธิพลแรงกร้าอย่างนี้มันทำให้จิตปวนปั่นวันไว้ไปมาแล้วก็พยายามเพ่งจิตนี้ไม่ให้มันคิดไม่ให้มันสร้างกิเลสต่า น, นั้นขึ้นในใจเมื่อควบคุมจิตได้ จิตนี้มันก็ไม่สร้างกิเลส ข, ขึ้นมาได้เลยไม่สร้างความรักไม่สร้างความชังความเกลียดความโกรธไม่สร้างความหลงความมัวเมาไปในสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารมันก็ไม่สร้างเรื่องเหล่านี้ขึ้นในใจแล้วก็ให้เข้าใจบันนี้เมื่อเราภาคเลียนไปไม่ท้อไม่ถอย กิเลสมันก็ค่อยเบาบางไปทีละน้อยละน้อยไปเป็นอย่างนั้นถ้าเราเพียรในชาตินี้มันไม่สำเร็จมันตายเสียก่อนเอาตายแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าเราเกิดไปชาติใดเราก็จะทำความเมียนไม่ท้อถอยอย่างนี้แหละอย่างนี้นะอธิษฐานในใจว่าอย่างนี้เมื่อเกิดไปชาติใดมันก็ นึกถึงการละกิเลสได้เลยเพอมันอธิษฐานไว้มันกำหนดไว้ในใจอย่างนี้นะไอผู้ที่ท่านออกบวชมาหมุนระกาอาศัยบุญกุศลมากระตุ้นเตือนใจนั่นเองบุญกุศลที่ตนได้ตั้งปรารถนาลงไว้อย่างว่านั่นแหละเราจะภากเพื่อพยายามไปจกไม่ท้อถอยอย่างนี้นะ บุญกุศลอะไรมาโดนบันดาลให้จิตคิดจากทำความเพียรอยากจะฝึกตนอยากจะทำกิเลสนี้ให้มันหมดไปจากจิตใจนี้ดังนั้นให้พากันตั้งใจลงไปตั้งความเพียรอธิษฐานในจิตใจลงไปอย่างนี้แล้วก็มันก็แน่นอนแหละ มีทางที่จะพ้นจากกิเลสตัณหานี้ได้ในชาติใดชาติหนึ่งถ้าผู้ใดไม่ตั้งใจไม่อธิษฐานใจอย่างนี้แล้วเกิดไปชาติใดมันก็มัวแต่หลับแต่นอนไม่จะเกียดคร้านนั่นแหละกิเลสแห่งความเกียจคร้านมันก็คืบคลานเข้ามาครอบงมจิตใจนี้มันเป็นงานเรี้ยงมานนะ ดังนั้นนะให้พึ่งพากันตั้ง อ, อกตั้งใจไม่มีใครแล้วมาลากกิเลสให้ตัวของตัวเองได้ไม่มีมีแต่ตนเองท่นพยายามเองพระพุทธเจ้าพราะองค์ก็เป็นแต่เพียงแนะแนวทางให้เท่านั้นเองอพระองค์ไม่สามารถที่จะไปกาจัดกิเลสออกจา ก, กจิตใจของใครต่อใครได้ ถ้าพระ อ, องค์กาจัดออกให้ได้คนครั้งนั้นมันก็เป็นอรหันต์เข้าสู่นิพพานไปหมดแล้วไม่เหลือแล้วอืมเบงันดังนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วให้พากันตั้งอกตั้งใจทำความเพียรให้เต็มความสามารถของตนแต่ก็อย่าเพียรให้จนเกินขอบเขตไป เมื่อเพียนเกินก็เกลียดไปจิตมันก็ฟุ้งไม่ได้ผลเลยแต่อย่ากเกียดคลานเกินประมาณนี่นะให้เข้าใจดังแสดงมา